แต่ว่าเป็นพระพุทธรูปที่เราสามารถนำติดตัวไปได้เป็นอารมณ์เมื่อเรานึกถึงพระพุทธรูปนี้แล้วจิตนี้ก็สงบลงเมื่อจิตสงบลงก็เกิดผลอย่างนี้นี่เรามองในด้านของเหตุผลที่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ที่ทำอย่างนี้เองเราอยา่าไปนึกถึงว่าพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าท่านจะทำอะไรแทนเราหมดทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ทำอะไรแทนเราไม่ใช่เวลาเราลบท่านจะมาปกป้องให้ตรงกันข้ามแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นทางใจของเราเองทำให้เราเนี่ยคล้วคลาดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้และตมาเชื่อมั่นว่าผู้ที่มีจิตเป็นกุศลดีหรือผู้ที่นึกถึงพระพุทธเจ้าบูชาท่านในทางที่ดีต้องร่ายรับผลดีทุกคน ต้องได้รับผลจากการบูชาอย่างนี้ทุกคนเว้นไว้แต่บุคคลที่เคารพ บ, บูชาท่านในทางที่ไม่ดีจะไม่ได้รับผลดีเช่นอย่างพวกที่ห้อยพระเครื่องมากๆแล้วก็จะไปปร้นเขาคราวนี้เราปร้นแล้วเราหนังเหนียวแคล้วคลาดเรามีพระรอดไปยิงเราก็ไม่ถูกประเภทนี้ร้อยทั้งร้อยพระไม่ได้รักษาเลยจน ตายมาร้อยทั้งร้อยแต่ละคนที่ถูกยิงตายนี่พระเต็มคอไปหมดเหมือนกันทำไมอะพระท่านถึงไม่ช่วยท่านจะไปช่วยได้อย่างไรในเมื่อตัวเองคิดทำชั่วตั้งแต่ต้นบูชาพระเพื่อความชั่วไม่ใช่บูชาพระเพื่อความดีพระท่านจะไปช่วยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบุคคลที่ห้อยพระเครื่องแล้วก็ไปประทุษทุจริตอย่างเนี้พระไม่รักษาหรอกถึงจะบูชาสักดิ์ร้อยองค์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระช่วยไม่ได้ เพราะว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากความศักดิ์สิทธิ์จะต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองด้วยถ้าตัวเราเองไม่มีตัวเราเองไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุท ธ, ธองค์แล้วผลเช่นนี้จะไม่เกิดเหมือนกับเราจะทดลองพระเอาพระไปห้อยคอแมวบ้างเอาพระไปห้อยคอไก่บ้างและก็ยิงก็มีหวังได้กินไก่ทั้งร้อยตัว ถ้าเอาหลวงพ่อของไหนต่อให้ศักดิสิทธิ์ยังไงไปห้อยคอไก่ไก่ก็ตายทั้งร้อยตัวหลวงพ่อจะช่วยชีวิตไก่ไม่ได้เลยเพราะไก่มันไม่รู้เรื่องอะไรนี่กําลังใจของไก่ก็ไม่มีไก่ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครใครเอาของอะไรมาถ่วงคอมันแล้วเราไปยิงไก่มันก็ตายร้อยทั้งร้อยเพราะฉะนั้นท่านจึงห้ามทดลองของดีต่างๆนี้ห้ามทดลองแต่ถ้าจะทดลองต้องทดลองกับคน คนเนี่ยหมายถึงให้คนก็นั้นห้อยพระแล้วก็เรื่องสายในพระจริงๆแล้วก็ยิงคนแต่เราก็ไม่กล้าลองกันอีกอ่ะเพราะใครจะเอาชีวิตคนไปเสี่ยงต่อการพิสูจน์ว่าพระองค์นี้ดีหรือไม่ดีแล้วคนคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธคุณจริงๆมะะทดลองได้เพราะฉะนั้นผลที่ปรากฏเกิดขึ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้เกิดขึ้นจากกําลังใจของผู้ที่ บูชาพระพุทธองค์เองด้วยราพังของอย่างเดียวนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แต่จะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีจิตนี้เข้าไปประกอบกันเรามีความเรื่อมสายในในพระพุทธรูปเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็อาจจะคุ้มครองได้เนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างนี้จุดมุ่งหมายของโบราณโบราณอาจารย์ที่ท่านได้ทำ รักเครื่องขึ้นมาก็เพื่อให้เราได้มีสตินึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนํำอาวัตถุชนิดนี้ติดตัวไปได้โดยสะดวกไม่ใช่มุ่งในทางเมตตามหานิยมไม่ใช่มุ่งในทางครังในทางศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่มุ่งที่จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เรานี้เว้นจากชั่วประพฤติดีเป็นเครื่องเตือนใจให้เรานึกถึงพระพุทธองค์เป็นอารมณ์ไว้เราจะได้ไม่ตกไปเป็นทาสของอกุศลต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้น เนี่ยเป็นความมุ่งหมายของโบราณอาจารย์ที่ท่านได้สร้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมาฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้บูชาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอให้ปลูกศรัทธาในใจของเราเนี่ยให้มั่นคงขึ้นจริงๆแล้วเราก็จะได้รับผลจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจริงๆเช่นเดียวกันอย่าเราบูชาพระเราก็ต้องบูชาจริงๆพร้อมกันนั้นเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเราปฏิบัติตอนไม่ดีแล้วเราจะ ให้พระท่านช่วยเรานั่นช่วยยากแล้วก็พระท่านไม่ช่วยเราถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติดีบุคคลที่มีพระพุทธคุณเช่นนี้อยู่ในใจอย่างมั่นคงแล้วที่ว่าอดกลั้นต่อความทุกข์ได้เนี่ยคือแม้ว่าจ ะ, ะเผชิญต่อทุกมากมายแค่ไหนก็าตาม ท่านเหล่าเนี่ยย่อมอดทนได้เคยเห็นโยมที่เจ็บป่วยมากๆแต่ว่าเป็นผู้ฝึกฝนสมาธิจิตเนี่ยมาดีแม้โรคนั้นจะเป็นโรคร้ายเป็นถึงมะเร็งและก็รู้ว่าต้องตายแน่ไม่มีทางรอดแต่ด้วยผลที่ฝึกฝนทางสมาธิจิตเนี่ยมาดีโยมผู้นั้นไม่หวั่นไหวหน้าตาก็ไม่บ่งถึงความทุกข์ รู้ว่าจะต้องตายมีสติดีทีเดียวรู้เลยว่าจะต้องตายควรจะทำอะไรบ้างก็จัดเรียบร้อยหมดทุกอย่างเราควรจะทำบุญอะไรควรจะจัดอะไรให้เรียบร้อยในทางครอบครัวจัดไว้ให้เสร็จแล้วก็บอกทุกคนว่าคงจะอยู่กันไม่นานแล้กต้องขอลาละจะต้องตายแน่ไม่ช้าคนที่มีสมาธิจิตดีนั้น จะมีสติดีอย่างนี้ด้วยและเป็นคนไม่กลัวตายด้วยเพราะจะไปกลัวตายอะไรในเมื่อเรามีความดีอยู่โดยสมบูรณ์แล้วความตายเสี่อีกที่จะทำให้ผู้นั้นไปสู่ความสุขยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบันนชาติเพราะว่ามีความดีโดยสมบูรณ์แล้วไม่กลัวตายคนที่กลัวตายนั้นคือคนที่ทําความดีไว้น้อยหรือยังไม่ได้ทําเลยหรือคนที่ทำบาปทำกรรมไม่มากเนี่ยกลัวเหลือเกิน เพราะว่ากลัวว่าพอตายแล้วมีหวังลงนรกแน่นรกนั้นต้องเป็นทุกข์กว่าในโลกมนุษย์นี้แน่ๆเราอยู่ในโลกมนุษย์นี้ทุกข์ก็เพียงแค่นี้แต่ถ้าลงนรกแล้วจะยิ่งกว่านี้บุคคลประเภทเนี้ยกลัวตายเพราะว่าทําบาปไม่มากฉะนั้นคนที่มีสมาธิจิตดีแล้วก็ทํากุศลไว้มากอย่างนี้ย่อมไม่กลัวตายแม้ร่างกายจะประสบต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ตามอดทนได้ ทั้งในด้านจิตใจก็เหมือนกันแม้จะได้รับการสูญเสียอย่างมากก็รักษาจิตไว้ได้ไม่ให้เกิดความทุกข์จนเกินไปจะมีทุกข์บ้างก็เล็กๆ น, น้อยๆเมื่อขาดสติแต่เมื่อมีสติกลับคืนมาแล้วบุคคลเช่นนี้จะไม่เกิดความทุกข์ในใจมากทำให้อดทนได้คือทนต่อทุกทางกายทนต่อทุกทางใจเนี่ยได้ทั้งสองด้าน เวลานี้เรามีชีวิตอยู่ในโลกต้องอาศัยอดทนมากๆหน่อยเพราะว่าความทุกข์มีมากเหลือเกินทุกในสังคมมนุษย์นี่ยกาลังจะมากขึ้นตามลำดับถ้าหากว่าเราไม่ไม่ปฏิบัติตามศีลธรรมแล้วความทุกข์จะมีมากขึ้นตามลำดับแต่ถ้าทุกคนปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงามแล้วสังคมมนุษย์นี้จะไม่เกิดความทุกข์มากมายอย่างนี้ ความทุกข์ต่างๆเนี่ยจะลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นในเมื่อเรานี้ไม่สามารถที่จะไปปรับปรุงสังคมส่วนใหญ่ให้เขามีศีลธรรธมได้ดีโดยทั่วกันเราก็มุ่งปรับปรุงตัวเราเองมุ่งสร้างขันติธรรมในตัวเราให้มากสร้างสมาธิจิตไว้ให้มากเมื่อเราได้ประสบต่อความทุกข์มากๆแล้วเราจะได้อดทนต่อความทุกข์เช่นนั้นได้ ไม่เกิดความวันไหวต่อความทุกข์ทั้งทางร่างกายและกระฐานจิตใจปัญหาจึงอยู่ที่เราทุกคนจะต้องอบรมตัวเราเองเพราะเราไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาต่างๆหรือไปยุ่งในเรื่องของคนอื่นได้ก็ขอให้เรายุ่งในเรื่องตัวของเราเราอย่าไปแก้ใครเราก็แก้ตัวเราเองและถ้าทุกคนได้แก้ตัวเองมันเสริมสร้างสมาธิจิตให้แก่นตนเองมากๆอย่างนี้ ก็เชื่อแน่ว่าเราก็อาจจะมีส่วนที่ช่วยทำให้สังคมมนุษย์ทั่วไปนี้มีความสงบสุขขึ้นได้มากไม่ไม่เกิดความทุมกข์มากจนเกินไปนักนี่เป็นผลที่เราได้รับจากการเจริญพุทธานุสติความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะถ้าจิตอ่อนแอแล้วน่าสงสารจริงๆ ท่านทั้งหลายจะเห็นบางคนที่เขาประสบกับมรสุมชีวิตแต่คนคนนั้นมีกำลังกายกำลังใจอ่อนแอเป็นคนที่ตกอยู่ในภาวะน่าสงสารบางคนนี้ถึงกับเป็นบ้าหรือบางคนถึงกับคิดแล้วก็ร่างกายเนี่ยสู้ผอมร่วงโรยผลสุดท้ายตรอมใจตายเปน็นอที่สุดเนี่ยคนประเภทนี้น่าสงสารว่าเขาอ่อนแอเกินไปความจริงทุกทั้งหลายในโลกนี้ ถ้าเราอดทนแล้วเราก็สู้ได้ทนได้แต่ว่าเพราะขาดการฝึกฝนทั้งทางร่างกายและจิตใจมาก่อนก็ไม่สามารถที่จะทนต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ชีวิตของคนอย่างนั้นนะ่ะบอ บ, บางเกินไปเมื่อบอบบางมากแล้วก็อยู่ในโลกมนุษย์นี่ยากฉะนั้นจำเป็นเลิศเกินที่เราต้องอบรมใจในด้านสมาธิให้สูงขึ้นไว้ ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแม้จะประสบต่อความทุกข์เราก็ไม่ถึงกับให้ความทุกข์เราเนี่ยทาลายชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยลงไปหรือพ่ายแพ้ต่อความทุกข์เช่นนั้นโดยที่เรานี้ปราศจากการแก้ไขเพราะฉะนั้นเรื่องผลที่เราได้จากสมาธิจิตเนี่ยจึงมีอยู่มากอย่างน้อยก็ทำให้เรานี้มีความอดทนอดกลั้นต่อทุกข์ และสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเท่ากับเราได้สร้างเจดีให้แก่ชีวิตของเราเองคนที่มีจิตประกอบด้วยคุณธรรมเป็นคนที่น่าบูชาเป็นคนที่น่ากราบหน้าไหว้ถ้าหากว่ามีพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นอารมณ์อยู่เสมอถึงแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคน แต่ว่าเป็นคนในฐานะที่เป็นเจดีย์หรือเป็นปูชนียะบุคคลที่เราควรจะบูชาเพราะบุคคลผู้นี้เป็นคนดีคนที่มีพุทธคุณอยู่เป็นอารมณ์เนี่ยเราบูชาได้ไหว้บุคคลเช่นนี้ก็มีอานิสงส์เหมือนกับเราไหว้พุทธเจดีย์เหมือนกันเหมือนกับไหว้เจดีย์เขามีศรีรษะแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำศรีรษะเนี่ยให้เป็นยอดเจดีย์ขึ้น แล้วเราก็กราบยอดเจดีเช่นนี้ได้ท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีทางที่จะทำชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นองค์เจดีได้ดีกว่าเราจะไปเอาอิฐอปูนมาเป็นเจดีแทนตัวเราสู้เราสร้างตัวเราให้เป็นเจดีขึ้นมาเนี่ยไม่ได้การสร้างตัวเราเองให้เป็นเจดีขึ้นมาก็ต้องสร้างในลักษณะดังกล่าวนี้ ดีกว่าจะเอาอิดอปูนมาก่อเป็นเจดีให้คนอื่นเขาไหว้ซึ่งถ้าหากว่าในเจดีนั้นไม่ได้บรรจุซึ่งพุทธสารีทิกธาตุเจดีนั้นก็มีสภาพเหมือนกับก้อนอิดก้อนปูนเพราะไม่มีคุณอันใดที่ควรแก่การกราบไหว้แต่ถ้าเราทำตัวเราเองให้เป็นเจดีขึ้นมาแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ควรแก่การกราบไหว้ เราะฉะนั้นจึงควรที่จะได้อบรมในพุทธานสุสตินี้ให้มากและอีกประการหนึ่งก็คือทำให้เรานี้มีฮิริโอตปะผู้ที่มั่นคงอยู่ในพุทธานสุสติแล้วจะไม่ทำกรรมชั่วทั้งในที่รับและในที่แจ้งจะเป็นคนละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปทุกอย่างจะไม่ทำทั้งหมดจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งต่อนหน้าและรับหลัง ทั้งในที่รับและในที่แจ้งทำให้มีฮิโอตตะปะขึ้นและที่สำคัญก็คือแม้เราจะตายจากโลกมนุษย์นี้ไปสู่โลกหน้ารับรองว่าไม่ตกนรกแน่ถ้าในขณะนั้นเรานึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์จะไม่ตกนรกเพราะในสมัยก่อนมัทตคุลทรีมานพเป็นลูกเศรษฐีแต่พ่อแม่เนี่ย ไม่เลื่อมสายในพระพุทธศาสนามัตตคุณทะเลนี้เลื่อมใสายในพระพุทธเจ้าได้ยินแต่กิติศักดิ์ไม่เคยเห็นแต่ว่าอยากจะไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วเกินพ่อแม่ก็าห้ามไว้ไม่ให้ไปเฝ้าวันหนึ่งป่วยมากพระพุทธองค์แผ่พระญาณลงไปเห็นว่ามัตตคุณทรีนี้ไม่รอดแน่จึงได้เ น, นิรมิตรูปขึ้นเป็นพุทธนิมิตให้มุตมัตตคุณทรีได้เห็น มัทคุลทรีเห็นพุทธนิมิตนั้นก็เกิดความเลื่อมใส ย, ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าในขณะที่ยกมือไหว้พระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสและลึกถึงอยู่ในพระพุทธคุณอย่างนี้จิตกระดับลงสิ้นใจไปเกิดเป็นเทพพระบุตรได้เกิดเป็นเท พ, พบุตรทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ไปเห็นองค์จริงของพระพุทธเจ้าเลยเห็นแต่พุทธนิมิตเท่านั้นตายลงก็ยังได้เกิดบนสวรรค์เนี่ยเพราะฉะนั้น ที่เราได้บูชาพระกันอยู่ทุกๆวันแม้เราจะไม่ได้บรบรลุฌานบรรลุมรรคผลแต่ผลที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้อยู่เนืองๆเนี่ยไม่ตกนรกถึงตายไปก็ไม่ตกนรกเวลาเจ็บเวลาป่วยอะไรเราก็บริกรรมอยู่เสมอเพราะเราไม่ไม่ทราบว่าเราี่จะตายเมื่อไหร่ฉะนั้นถ้าเราได้ประสบต่ออุปตวเวเหตุก็ดี หรือจะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ดีเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องอื่นต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเราเกิดตายในขณะนั้นเราก็จะไม่ตกนรกได้ไปสู่สุกติแน่ฉะนั้นเวลาเกิดอันตรายขึ้นมาต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนอย่างอื่นไม่ต้องไปนึกถึงเมื่อเราลึกถึงพระพุทธคุณก่อนอย่างนี้จิต ด, ดับเมื่อใดก็ไปสู่สุกติเมื่อนั้นนี่เป็นผลที่ เกิดขึ้นจากการที่เราได้เจริญอนุสติถึงไม่บรรลุนิพพานก็เด้ไปสวรรค์ยังดีกว่าที่เราจะไม่ปฏิบัติเลยฉะนั้นทุกวันที่ท่านทั้งหลายได้บูชาพระอยู่ขอให้ท่านได้สวรวมจิตทำสมาธิจเจริญพุทธานุสติเนี่ยทุกๆวันแม่นอนก็ควรจะบริกรรมถึงพัพพุตคุณจะยืนจะเดินก็ควรบริกรรมอยู่เสมอเป็นอารมณ์วบ ผลก็จะเกิดขึ้นแก่เราโดยสมบูรณ์อย่างนี้แต่เกิดขึ้นไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวมานี่เป็นเรื่องเหตุผลในทางปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้สมาบรรยายในอาทิตย์นี้ก็เพื่อที่จะย้ำถึงความเข้าใจของทั้งสาธทุกชนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับผลที่เราจะพึงได้จากการเจริญอนุสติเพื่อที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้สนใจ ฝากฝ่ายในทางปฏิบัติเช่นนี้อยู่ก็จะได้เอาไปใช้กันให้เต็มที่ต่อการถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงการกราบพระพุทธองค์ให้ถูกนั้นก็ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างนี้จิตต้องมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่และเราจะต้องยึดถือพระพุทธองค์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจึงจะอยู่ในข่ายที่ว่าพุทธทางสระนางังคัตฉามิเราได้พึ่งพระพุทธเจ้าแล้วแต่ถ้าเราเปล่งพุทธทางสระนางังคัตฉามิ เรายังไม่ได้อะไรจากท่านเลยยังไม่ได้พึ่งอะไรเลยอย่างนี้ก็จะว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่ได้ยังห่างไกลามาก <c oughs> ฉะนั้นจึงขออธิบายสรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้แจ่มชัดอาทิตย์หน้าต่อไปก็จะได้ขึ้นทำมานุสติในส่วนแห่งธรรมคุณต่อไปวันนี้การบรรยายก็เห็นถ้าจะพอสมควรแก่เวลาจมาขอยุติลงเสร็จเพียงนี้ ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระวิสุทธิมรรคในวันนี้เราจะได้เริ่มศึกษาถึงอนุสติข้อที่สองคือธรรมานุสติเมื่ออาทิตย์ก่อนได้สรุปถึงผลจากการที่เราได้เจริญพุท ธ, ธานุสติให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปแล้ว ในพระพุทธคุณ9ก้าบทอนุสติข้อที่สองที่เราจะถือเอาเป็นหลักปฏิบัติได้นี้เรียกว่าธรรมานุสติคำว่าธรรมานุสตินี้ก็คือการใช้สติระลึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์พระธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมคุณคำว่าธรรมคุณนี้ เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าพระธรรมธรรมคุณคือคุณของพระธรรมนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมะเราว่าเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีว่าหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาไ า, าบางทีเราก็ สงสัยว่าคําว่าธรรมะนั้นหมายถึงอะไรกันแน่ที่นอกไปเหนือจากคําสั่งสอนธรรมะนั้นคืออะไรเพราะเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องสแสวงหากันมานานแล้วเราเรียกร้องสแสวงหาธรรมะในที่ทุกแห่งที่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นถ้าหากว่า ในสังคมมนุษย์นี้ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนธรรมะรู้สึกว่ามีผู้สนใจน้อยหรือมีผู้เรียกร้องน้อยแต่ถ้ายุคใดสมัยใดโลกนี้เป็นทุกข์หรือสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพของความเป็นทุกข์ในยุคนั้นสมัยนั้นเราจะได้ยินเสียงเรียกร้องหาธรรมะกันมากขึ้นธรรมะต้องมีส่วนใด ส่วนดีอย่างใดอย่างหนึ่งช่วยขจัดทุกหรือความเดือดร้อนให้ได้เพราะฉะนั้นโลกจึงเรียกร้องหาธรรมะกันมากแต่ว่าเราจะใช้ธรรมะให้ไปดับทุกนั้นจะดับได้ในลักษณะไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องศึกษากันเ็ราโดยปกติแล้วบุคคลที่ไม่ประสบต่อความทุกข์ ก็มักจะไม่สนใจในเรื่องของธรรมะหรือถ้าหากว่าเราไม่เกิดสติปัญญามองเห็นทุกเราก็ไม่สนใจในเรื่องของธรรมะฉะนั้นคนที่สนใจธรรมะเนี้จึงมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งคือคนที่ประสบต่อความทุกข์จากโลกมากมายเหลือเกินแล้วก็ดิ้นรนที่จะสแสวงหาทางที่จะร่มเย็นเป็นสุข ว่ามีทางใดบ้างที่จะให้ความเป็นสุขเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้มีแต่เรื่องเล่าร้อนใจทั้งนั้นสิ่งที่โลกสแสวงหากันโดยเข้าใจว่าเป็นสุขครั้นเราไปสแสวงหาเข้าจริงๆเกิดไม่เป็นสุขขึ้นมากลับกลายเป็นทุกข์ขึ้นเราก็ดิ้นรนสแสวงหาความสุขกันต่อไปว่าเราจะได้ความสุขนี้มาจากทางไหนหรือบางทีบางท่าน ประสบต่อความทุกข์ความผิดหวังในชีวิตอย่างห น, นักก็สแสวงหาธรรมะมาเป็นเครื่องดับทุกข์ให้แก่ตนเองว่าเราจะดับทุกนี้ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยธรรมะจึงเกิดความสนใจในธรรมะขึ้นประเภทที่หนึ่งนี้คือผู้ที่มีความทุกข์และก็ประสบต่อความทุกข์แล้วจึงเกิดความสนใจในธรรมะส่วนประเภทที่สอง มีชีวิตอยู่อย่างสบายไม่เป็นทุกข์เป็นน้อนอะไรเลยอยู่ทางโลกก็สบายไม่เห็นจะผิดหวังอะไรแต่เกิดสติปัญญามองเห็นสภาพของทุกข์ในโลกขึ้นมาเห็นทุกข์ด้วยปัญญาแล้วก็เกิดการดิ้นรนสแสวงหาทางแห่งความดับทุกข์นี่เป็นประเภทที่สองสำหรับประเภทที่หนึ่งนี้เราอนุเคราะห์ได้จากชาวโลก หดือสามัญญาสัตว์ทั่วไปเพราะชาวโลกหรือสามัญญสัตว์ทั่วไปนี้จะเกิดความรู้สึกว่าธรรมะมีคุณค่าแก่ชีวิตนั้นก็ต่อเมื่อชีวิตเนี้เป็นทุกข์อย่างหนักจึงเกิดความสนใจในธรรมะขึ้นฉะนั้นเราจะสังเกตได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาตามลําดับสามัญญาสัตว์ทั้งหลายที่ประสบต่อความทุกข์แล้วจึงใายหน้าเข้าหาธรรมะ เริ่มตแต่ในสมัยที่พระพุทธองค์จะประกาศพระพุทธศาสนามาเลยทีเดียวหลังจากที่ได้โปรโดเบญจวัคคีแล้วสเสด็จประทับจำพรรษาที่ปลายสิปตนามรึกศไยวันในค่ำคืนที่สเสด็จจงกรมอยู่ยักษะกกุลบุตรซึ่งเป็นกุลบุตรในตระกูลของเศรษฐีนับว่า มีความเป็นอยู่ในขั้นที่มีความสุขสบายแต่เกิดความเบื่อหน่ายในสภาพของครหะบนแต่ว่าที่บ้านเนี่ยวุ่นวายขัดข้องคือเต็มได้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความขัดข้องต่างๆก็เดินบน่นพึมพำพึมพำมาที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ เดินบนอย่างเนี้ยจ้าท่านถึงสถานที่ที่พระพุทธองค์เสด็จจงกรมพระพุทธองค์จึงตรัสว่าที่นี่ไม่ยุที่นี่ไม่วุ่นที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง ย, าายักุลบุตรก็เข้าไปกราบจึงได้แสดงธรรมโปรดยะกุลบุตรก็เกิดดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาปติมารโสดาปติผล แล้วภายหลังก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์จึงปฏิญาณตนเป็นพระสงฆ์พระพุทธองค์ก็ได้บรรญชาให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาต่อไปก็พาพวกมาอีกมากมายที่เป็นเพื่อนๆ อ, อีกหลายสิบท่านด้วยกันเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็สําเร็จเป็นพระอระหันต์ทั้งหมดจนเป็นกําลังในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสมัยแรก ให้กับพระพุทธองค์ได้อย่างดีท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับความวุ่นวายได้รับความขัดข้องต่างๆในการคลองเรือนแล้วก็เบื่อหน่ายต่อการคลองเรือนจึงสแสวงหาว่าทางใดบ้างที่เป็นทางปลอดโปรง่งเป็นทางสงบไม่วุ่นวายพระพุทธองค์ตรัสว่าที่นี่ไม่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องทางที่ปลอดโปรง่งไม่วุ่นวายก็คือ ทางเนคข ม, มะได้แก่การปลีกตนเองออกจากการมออกจากการครองเรือนก็คือการบวชเป็นบรรพชิตว่าทางนี้เท่านั้นที่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องเป็นทางที่ปลอดโปรง่งหรือเป็นโอกาสที่จะได้ประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมนี้ได้ขาวสะอาดดุดสังขัดอะไรทำนองนั้นที่มีอยู่มากมายแม่แต่ พุทธสาวกพุทธสาวิกาในสมัยหลังๆที่สนใจในพระธรรมก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ประสบต่อความทุกข์ในชีวิตอย่างหนักจึงเป็นผู้สนใจในธรรมะขึ้นสังคมสมัยอดีตเป็นเช่นใดสังคมในปัจจุบันก็จะเป็นเช่นนั้นปัจจุบันนี้ผู้ที่ไม่ประสบต่อความทุกข์ก็จะสนใจในเรื่องของธรรมะ เราจะเห็นได้จากบุคคลที่กําลังหลงละเริงอยู่กับความรู้หลาความฟุ่มเฟือยต่างๆในสังคมบุคคลเหล่านี้จะมองไม่เห็นธรรมะนอกจากมองไม่เห็นธรรมะแล้วยังเห็นว่าเรื่องของธรรมะนั้นเป็นเรื่องของความคล่ําคลึกล้าสมัยเป็นเรื่องของบุคคลที่ทอดอะไรตายยากในชีวิตแล้วบุคคลเหล่านี้จะไม่สนใจในธรรมะ แต่เมื่อใดถ้าเกิดความทุกข์ยางหนักขึ้นเมื่อนั้นแหละก็จะเกิดความสนใจในธรรมะขึ้นมานี่เป็นประเภทที่หนึ่งซึ่งเป็นปกติธรรมดาของสามัญญาสัตว์ทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันก็จะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ส่วนประเภทที่มีสติปัญญานั้นประเภทนี้แม้ชีวิตจะไม่เคยผิดหวังจะไม่เคยประสบกับความทุกข์มาเลยแต่ว่าเป็นคนมีปัญญา คือมองเห็นความจริงของโลกนี้อย่างถูกต้องแล้วหรือเป็นผู้ที่เคยอบรมบ่มนิสัยในอดีตมานานก็เป็นคนไม่งมงายในโลกนี้ย่อมจะเห็นสภาพของโลกนี้ตามความเป็นจริงบุคคลประเภทนี้ย่อมจะเกิดความสนใจในธรรมะขึ้นทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ไม่ได้ประสบตัอความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรแต่เห็นว่าเรื่องของธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ประเสรศิฐ ละเป็นสิ่งที่ควรจะได้สดแสวงหาอบรมจึงได้เกิดการศึกษาขึ้นข้อนี้ก็ดุดดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เสด็จออกบรรพชาคือเมื่อเกิดความสังเวชเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้เกิดมากตกเป็นธาตุของความแก่ความเจ็บและความตายก็สแสวงหาโมฆะธรรมต่อไป อย่างนี้เรียกว่าออกบวชหรือแสวงหาธรรมะอย่างผู้ที่มีปัญญาแล้วก็ได้บรรลุถึงซึ่งธรรมะเช่นนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้สาธุชนที่มีความทุกข์ก็ดีหรือที่มีปัญญาก็ดีเป็นผู้ที่ขวนขวายในการแสวงหาธรรมะจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาในเรื่องของธรรมะให้ถูกต้องว่า เราจะสแสวงหาอย่างไรจึงจะได้ธรรมะเหล่านี้มาเป็นสมบัติของเราหรือเราจ ะ, ะศึกษาจักปฏิบัติอย่างไรจึงจะพึ่งพระธรรมเหล่านี้ได้เพราะว่าการประสบต่อความทุกข์แล้วแสวงหาธรรมะนั้นมีทั้งคุณและมีทั้งโทษที่ว่ามีทั้งคุณและมีทั้งโทษนั้นมีทั้งคุณก็คือทำให้หันหน้าเข้าหาสิ่งที่เป็นกุศล หันหน้าเข้าหาวัดวาอารามต่างๆเพื่อที่จะได้ประกอบคุณงามความดีต่อไปที่ว่าเป็นโทษนั้นถ้าหากว่าสแสวงหาผิดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ชีวิตของตนเองและเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วบางครั้งก็จะเกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลผู้สแสวงหาเช่นนั้นก็มีอยู่ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีความทุกข์แล้วแสวงหาธรรมะนั้นจึงจาเป็นต้อง ศึกษาและค้นกว้าให้มากเป็นพิเศษเพราะเกี่ยวเนื่องด้วยปัญญาในการที่จะสแสวงหาธรรมะนี้ยังไม่เพียงพอโดยปกติแล้วการแสวงหาธรรมะนั้นไม่เหมือนกับการสแสวงหาวัตถุสิ่งอื่นภายนอกเพราะว่าธรรมะนี้เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของสภาวะธรรมถ้าหากว่าสแสวงหาไม่ถูกก็จะไม่ได้อะไรเลย หรือบางคนที่มีความทุกข์แล้วหันหน้าเข้าหาวัดอย่าคิดว่าเข้าวัดแล้วก็คือได้ธรรมะวัดนั้นเป็นอาราม